เห็นข่าวว่าบ้านจัดสรรปีนี้ขายดีมากราคา 2-3 ล้านขายหมดตอนนี้บูมเรื่องคาริหาตค่ะราคา 30-50 ล้านดอกเบี้ยธนาคารจะขึ้นก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่ามหาเศรษฐีพวกนี้เนี่ยท่านซื้อด้วยเงินสดแทบทั้งนั้นส่วนคนจรนจัดอีกนับร้อยนับพันค่ะยังไรที่สุกหัวนอนไม่มีร่มไม้ชายคากันแดดกันฝนย่าค่าคืนก็นอนขดนอนตากยุงตากน้าค้างตามข้างถนนใต้ต้นไม้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 ตัวของดิฉันเองแม้จะเวทนาและก็หดหูอยู่เมื่อมองเห็นแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าไม่อยากเข้าใกล้คนจรนจัดที่ส่วนมากจะสกระปรกมีผ้าขี้ริ้วพันกายแถมหน้าตายังดูน่ากลัวอีกต่างหากหลายๆคนค่ะก็ไม่แน่ใจว่าวิกลจริตหรือเปล่าเพราะว่าเห็นในตาเนี่ยขุ่นขวางจ้องมองเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อ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 ถ้าพูดถึงเรื่องของงานบุญต่างๆแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยซึ่งถือว่าเป็นรสชาติสำคัญของงานก็ว่าได้เห็นจะเป็นงานสังสรรค์รื่นเ ร, งเริงค่ะที่มีตั้งแต่การดื่มกินร้องรําทำเพลงรวมไปถึงการละเล่นต่างๆแล้วแต่นะคะว่าจะมีการคัดสรรมาเล่นกันซึ่งก็เป็นปกตินิสัยของคน ที่มีหัวใจรักความสนุกสนานอยู่แล้วโดยเฉพาะคนไทยค่ะความรื่นเริงบันเทิงใจต่างๆที่มักตามไปทุกที่ทุกแห่งที่มีการจัดงานบุญขึ้นบางงานก็จัดขึ้นพอสมควรแล้วก็เหมาะสมแต่ว่าบางงานนะก็ตะเตลิดไปไกลจนเจ้าภาพเออยยังอ่อนใจเลยนะคะประเภทงานที่มักจะดื่มกินแล้วก็ร้องราทำเพลงกันอย่างหนักก็เห็นจะเป็นเรื่องของอประเพณีงานบุญ ทอดกระถินหรือว่าเป็นงานบุญทอดผ้าป่าค่ะซึ่งก็ต้องเดินทางไปตามวัดต่างๆโดยทางรถบ้างทางเรือบ้างแล้วแต่ระยะทางของแต่ละวัดที่จะยกไปทําบุญกันถ้าวัดไหนตั้งอยู่ไกลชนิดที่ต้องเดินทางกันข้ามวันข้ามคืนแล้วก็จะได้มีเวลาสนุกสนานกันมากขึ้นค่ะถึงขั้นเมาหลับสลบสลายจนไปตื่นเอาในตอนเช้าของอีกวันหนึ่งก็มีหรือประเภทที่ไม่ใกล้ไม่ไก ล, ไไ ก, ลก็อาศัยดื่มกินกันพอเป็นกระใย แต่ก็มีการร้องรำเฮาหากันมากหน่อยประเภทนี้ก็จะคลึกคลื้นไปตลอดทางนะคะด้วยความสนุกสนานร่าเริงอันเป็นนิสัยเฉพาะตัวของคนไทยมาแต่ก่อนแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่เองบางครั้งก็อาจนำไปสู่จุดจบที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นักอย่างที่มีข่าวออกมาเกี่ยวกับการเดินทางไปทำบุญที่ไปกันเป็นขบวนรถใหญ่ๆ ห, หรือแม้ ก, กระทั่งทางเรือนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อไปทาบุญ หรือที่คนไทยถือกันว่าเป็นการไปทำความดีนั่นเองค่ะแต่ก็มักจะเกิดอุบัติเหตุรถคว่มบ้างรถชนบ้างทำให้ผู้ร่วมไปกับคณะทาบุญได้รับบาดเจ็บบางคนก็ถึงแก่ความตายกันมามากมายเลยทีเดียวจนหลายคนค่ะถึงกับตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะที่เป็นเช่นนี้จะเรียกได้ว่าเป็นการทำดีไม่ได้ดีหรือไม่ฟังแล้วก็รู้สึกทาให้เศร้าใจนะคะ เมื่อมีการเอ่ยถึงการทำดีแล้วไม่ได้ดีค่ะหรือว่าการไปทำบุญแล้วก็พากันไปตายมากกว่าก็มีข่าวให้เห็นกันบ่อยๆเพื่อนฝูงที่ประสบเหตุเจอมากับตัวก็มาเล่าให้ฟังบ้างที่เกิดกับตัวเองก็มีไม่น้อยแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่อยากเล่าค่ะเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนั่นคือเรื่องที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้ประสบเหตุโดยตรงเหตุการณ์ดังกล่าวมีอยู่นะคะว่า เมื่อหลายปีก่อนตอนเทศกาลงานทำบุญทอดกรถิน่นเวียนมาถึงอีกวาระหนึ่งก็จะมีการรวบรวมเพื่อนฝูงที่รักใคร่กันมาทำบุญร่วมกันโดยมีการเรียรายเงินทองแล้วก็ข้าวของเพื่อนำไปถวายวัดอย่างที่เคยทำมาในปีก่อนๆแล้วก็ปีนี้ค่ะถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าที่ตั้งไว้ก็คือมีคนมาช่วยกันมากขึ้นแล้วก็ต่างก็มีจิตใจแน่วแ น, วแนว่ว่าจะมาร่วมกันทำบุญ จนเมื่อถึงวันที่จะออกเดินทางไปทอดกรถินก็มีเพื่อนฝูงแจ้งความจำนงมามากกว่าจะเดินทางไปด้วยเจ้าภาพก็ต้องสั่งจองรถบัสคันใหญ่ไว้ถึงสองคันค่ะเมื่อวันเดินทางมาถึงต่างก็พากันมาพร้อมหน้าพร้อมตาก็มีทั้งคนเฒ่าคนแก่ลูกเด็กลูกเล็กเด็กแดงนะคะแล้วก็ผู้คนที่ค่อนข้างจะเคร่งในศีลในธรรมโดยคนกลุ่มนี้ก็จะนั่งรถบัสคันที่สองซึ่งมีสัมภาระและก็ข้าวของบรรทุกไปด้วยส่วนอีกกลุ่มนึง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้คนที่กำลังอยู่ในวัยหนุ่มสาวหรือว่าวัยรุ่นกำลังจาปเลยทีเดียวต่างก็มีเพื่อนฝูงที่รู้จักรักใคร่กันอย่างดีดังนั้นเมื่อมีการเดินทางเช่นนี้ก็จะมารวมกันที่รถคันแรกโดยตั้งใจแล้วละนะคะว่าจะสั่งสารพูดคุยกันไปตลอดเส้นทางประสาคนที่ไม่ได้พบไม่ได้เจอกันนาน เมื่อรถเริ่มออกเดินทางค่ะคุณผู้ฟังรถคันแรกก็เฮฮาส่งเสียงคลื้นๆนะคะใครที่เตรียมสเสบียงไปด้วยก็แจกจ่ายกันให้พร้อมหน้าเล่ายาปลาปิ้งเอ้ยพร้อมสับดูไม่เหมือนไปทำบุญเลยนะคะเหมือนเป็นการไปปิกนิกหรือว่าไปเข้าแคมมากกว่ามีทั้งการร้องรำทำเพลงตีกลองเคาะจังหวะจนเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปตลอดทาง จนเมื่อรถจอดพักระหว่างทางค่ะเจ้าภาพซึ่งนั่งอยู่ที่รถคันที่2ก็ลงมาตัดเตือนแล้วก็บอกกับคนขับรถว่าเอ้ยอย่าขับซิ่งมากนะอีกอย่างหนึ่งคือเหล้ายานเนี่ยอย่าได้ไปดื่มกินเป็นอันขาดเพราะว่ากลัวจะไปไม่ถึงวัดซึ่งคนขับก็รับปากดิบดีค่ะเมื่อรถออกเดินทางต่อรถคันแรกก็ยังคงคึกครื้นอยู่เช่นเดิมเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ละเจ้าภาพเขาเตือนแค่ไหนก็ไม่ฟังนคะคะและคราวนี้คนขับก็ถูกขยันขยอให้ดื่มกินกับคนคนที่อยู่บนรถหรือว่า ผู้ที่ไปรวมทำบุญด้วยเนี่ยนะคะจากนิดหน่อยก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณจนเริ่มเสียงพูด อ, อมันเม่ได้เมาไม่เหมือนเดิมเฉยๆประมาณนี้แต่ก็ยังพอจับใจความได้ค่ะในขณะที่รถทั้งสองคันเนี่ยมุ่งหน้าไปท่ามกลางความมืดมิดในเวลาย่ารุง่งรถคันหน้าก็เริ่มออกอาการแล้วค่ะผู้โดยสารบางคนเมาหลับไปละ แต่บางคนยังคอแข็งทรงตัวร้องเพลงต่อกันได้ส่วนคนขับก็เริ่มที่จะครองสติไว้ไม่อยู่พวงมาลัยก็เริ่มตุบปัดตุเปยเอแปลกนะคุณผู้ฟังคนขับกินแต่ทำไมรถมันเมาเออเนาะแปลกมากบางทีนะคะโชเฟอร์ก็วูบหลับแล้วพอได้สติก็ลุกขึ้นมาจับพวงมาลัยใหม่ก็เป็นอยู่แบบนี้นานค่ะจนรถคันหลังนี่ก็เริ่มจัสังเกตได้คนขับคันที่2ก็พยายามจะแซงมาปาดหน้าเพื่อบอกให้รถชะลอแล้วก็หยุด แต่ก็ทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าถนนเส้นนั้นมันเป็นถนนสองเลนคือรถขับสวนทางกันเนี่ยนะคะซึ่งเวลาจะหักออกทีไรก็มีรถสวนมาทุกทีเลยจนเมื่อถนนเริ่มว่างก็เป็นเวลาใกล้เช้าละรถคันที่2เตรียมจะแซงขึ้นหน้าประจวกกับถึงโค้งหักศอกข้างหน้าก็เลยต้องชะลอความเร็วไว้แต่ว่ารถคันหน้ากลับไม่ชะลอค่ะเหยียบเหยียบไปเลยลูกพี่เต็มแรง สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคุณผู้ฟังเมื่อรถบัสคันแรกนี่แหกโค้งเข้าไปในทุ่งหญ้าโซเวนา่าข้างทางค่ะแล้วก็ชนเข้ากับต้นไม้ใหญ่ที่รถครมดูน่ากลัวก่อนจะจอดสงบนิ่งในที่สุดรถบัสคันหลังตามมาติดๆจอดอยู่ที่ข้างทางทั้งเจ้าภาพเอ๋ยคนขับรถเอ๋ยลงมาแล้วก็เตรียมจะเข้าไปดูเหตุการณ์แต่แล้วค่ะก็มีคุณยายคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาจากแถวหลังบอกว่าอย่าพึ่งไปดูนั่นสิ เห็นคนเต็มไปหมดดูท่าทางน่ากลัวจริงๆเมื่อจะภาพหันไปมองก็สัมผัสกับความสยดสยองเหลือจะกล่าวเพราะว่าภาพที่เห็นคือผู้คนจํานวนมากในเสื้อผ้าเปื้อนเลือดสีมอซอร์สกปรกนะคะยืนถือดอกไม้บ้างถือพานพุ่มบ้างถือข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นการถวายพระบ้างมองปแาดเดียวก็รู้เลยว่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยคงเคยมาทําบุญเช่นเดียวกันกับคณะนี้แต่แล้วค่ะคงไปไม่ถึงวัดเหมือนกัน เพราะว่าทุกคนมีสีหน้าเศร้าส้อยบางคนก็ร้องไห้แต่ว่าบางคนกลับมีใบหน้าที่โกรธเกรี้ยวนะคะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ารถคันแรกเนี่ยไปลบหลู่ดูหมิน่นไม่มีความเคารพในสถานที่ด้วยการดื่มกินเหมือนงานรื่นเริงนั่นเอง เมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนี้แล้วคุณผู้ฟังผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายที่พอจะรู้เรื่องราวก็นําธูปเทียนดอกไม้มาจุดแล้วก็สักการะบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางว่าอย่าได้ถือสาหาความกับคณะของพวกเราเลยพวกเราเนี่ยมีจิตใจที่มุ่งมั่นจะไปทําบุญแต่ที่น้องในกลุ่มแรกทําไปนั้นคงเป็นเพราะความประมาทและความไม่รู้ขอให้ท่านให้อภยัยเพื่อให้เราเดินทางต่อไปยังวัดเพื่อทําบุญได้อย่างที่ตั้งใจสิ้นคําขมาของผู้เฒ่าผู้แก่นะคะ ภาพขมุกขมัวแล้วก็ผู้คนที่น่ากลัวที่อยู่ข้างหน้าก็หายไปผู้คนที่เมาสลบสลายในรถคันแรกก็เริ่มมีสติบางคนยังเมาอ้อแอ้อยู่เพื่อนฝูงผู้ใหญ่ที่เหลืออยู่ก็พากันไปช่วยเหลือแล้วก็ดูสภาพความเสียหายแต่ถือว่าโชคดีนะไม่มีใครเป็นอะไรมาก คนขับก็แค่คอเคล็ดเล็กน้อยคนอื่นๆก็มีแค่เคล็ดขัดยอกทาถูทาถูนะคะถลอกปอกเปิเป่แต่ก็ไม่มีใครสาหัสหรือว่าตายค่ะนับว่าเป็นความโชคดีส่วนหนึ่งน่าจะมาจากความตั้งใจจริงในการไปทําบุญของคนหมู่มากที่ร่วมเดินทางไปด้วยในครั้งนี้แม้ว่าจะเป็นการเกือบไปทําบาปมากกว่าทําบุญแต่ว่าหลายคนในคณะที่เดินทางไปด้วยในครั้งนั้นก็ได้รับบทเรียนราคาแพงไว้เตือนใจถึงขนาดบางคนค่ะตัดสินใจเลิกกินเหล้าไปเลยก็มีค่ะ ฟังเรื่องราวแปลกๆที่เป็นเรื่องจริงจากคุณผู้ฟังทางบ้านกันไปแล้วทีนี้มาฟังนิทานเรื่องเปรตกันบ้างคุณผู้ฟังนิทานเรื่องเปรตวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องเปรตปูติมุกนะคะการละครหนึ่งนานมาแล้วพระนาาเทระได้เสด็จลงจากเขาคิชกูดแล้วได้พบกับเปรตตนหนึ่งก็รู้สึกแปลกใจเป็นยิ่งนัก เนื่องจากเปรตตัวนี้มีกลิ่นปากที่เหม็นเหมือนกับมีซากศพนับร้อยอยู่ในปากหากแต่ว่าร่างกายมีรัศมีเปล่งปลั่งสวยงามราวกับผู้ที่บำเพ็ญเพียรหรือว่ารักษาศีลด้วยความรู้สึกแปลกใจค่ะก็เลยได้เข้าไปถามไถ่เปรต ด, ดังกล่าวนี้บอกว่าเปรตเอ๋ยเราเห็นตัวเจ้านี้แล้วเกิดความสงสัยยิ่งนักปากของเจ้ามีกลิ่นเหม็นแม้แต่หุบ ป, ปากเอาไว้แต่กายของเจ้ากลับเปล่งประกายรัศมีเหตุใดจึงเป็นเยี่ยงนี้ เมื่อเปรตได้ฟังดังนั้นก็เกิดความโศกปนละอายใจค่ะก็เลยได้เล่าเรื่องราวของตัวเองที่เคยกระทำกรรมชั่วหรือกรรมไม่ดีให้กับพระนารเถระได้สดับรับฟังเปรตตัวนั้นเล่านะคะบอกว่าในการเก่านั้นเปรตตัวนี้ได้บวชเป็นภิกษุมีชื่อว่าปุติมุกเดิมปุติมุกนั้นก็เป็นภิกษุเร่ร่อนไปโน่นมานี่แต่แม้ว่าจะาถือศีลเป็นภิกษุนะคะเขาก็ยังมีใจที่ชั่วช้ามีวาจาที่ส่อเสียด ชอบใช้ปากทำกรรมชั่วไม่ว่าจะเป็นการกล่าวนินทายุยงให้เขาแตกกันหรือว่าจะเป็นการพูดทำร้ายน้ำใจผู้อื่น มีอยู่การหนึ่งค่ะปูติมุกได้เดินทางไปที่เมืองแห่งหนึ่งก็ได้พบกับอาวาดนะคะที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ซึ่งทราบความในภายหลังว่าเป็นอาวาดสร้างใหม่ของภิกษุสองรูปที่อยู่ในสำนักของพระทศพลโดยทั้งสองเนี่ยมีความประพฤติ ท, ที่งดงามพร้อมด้วยศีลพร้อมด้วยธรรมมีความสันโดษไม่โลภโมโทโสันค่ะเป็นภิกษุที่ถึงพร้อมด้วยใจอย่างแท้จริง เมื่อปูติมุกได้เดินทางไปถึงเขาก็เห็นนะคะว่าอาวาสแห่งนี้มีความสวยงามค่ะซ้ำยังใหม่น่าจะอยู่สบายก็เลยได้ไปขออยู่ด้วยภิกษุทั้งสองเราเดินทางมาไกลเหลือเกินเราจึงจะขอพักด้วยสักราตรีหากว่าท่านจะมีใจเป็นกุศลปูติมุกกล่าวนะคะฝ่ายภิกษุทั้งสองรูปเมื่อเห็นว่ามีภิกษุรอนแรมมาก็ให้พำนักอาศัยด้วยความเต็มใจหากแม้จะเป็นภิกษุเหมือนกัน แต่กิเลสและความหยาบหนานั้นก็ต่างกันค่ะเพราะว่าปูติมุกนั้นมีใจหยาบกว่ามากอีกทั้งมีวาจาที่ส่อเสียดในราตรีนั้นนั่นเองค่ะปูติมุกจึงพูดวาจาไม่ดีกับภิกษุทั้งสองแต่กระนั้นท่านทั้งสองก็ไม่ได้กล่าวคําใดๆออกมาพอรุ่งเช้าก็ถึงเวลาที่ภิกษุทั้งหลายต้องออกไปบินบาทซึ่งภิกษุทั้ง3ก็เดินทางออกไปบินถบาทด้วยอาการสงบ ฝ่ายชาวบ้านค่ะเมื่อเห็นพระภิกษุทั้ง3รูปก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาหาข้าวปลาอาหารมาถาวายให้แก่ภิกษุทั้ง3รูปซึ่งก็หลวนแต่เป็นของดีๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นข้าวยาคูหรือว่าจะเป็นขาธนียพโชนียาหารครั้นเมื่อบินถบายเสร็จเรียบร้อยทีนี้พระภิกษุทั้ง3ก็ฉันอาหารเช้าแล้วก็ทําวัดต่างๆเป็นที่เรียบร้อยค่ะภิกษุที่เป็นเจ้าอาวาสทั้งสองก็นั่งสนทนาธรรมส่วนภูติมุก ภิกษุผู้เป็นแขกนั้นก็แยกตัวออกมาอีกทางนึงซึ่งในใจของปูติมุกภิกษุนั้นเป็นอกุศลพึงพอใจกับอาหารแล้วก็อาว่าที่นี่ก็เลยคิดอยากจะอาศัยไปตลอดค่ะแต่ด้วยใจที่โลภก็เลยไม่อยากจะแบ่งปันความสุขสบายนี้แก่ก็ไดก็เลยคิดกําจัดภิกษุเจ้าบ้านทั้งสองออกไปจากเมืองแม้ว่าภิกษุทั้งสองอยู่เราก็จะได้กินดีอยู่ดีแต่หากว่าอยู่เพียงลําพังก็คงจะสุขสบายยิ่งนักมิต้องแบ่งอาหารดีๆให้แก่ใคร อาวาตแห่งนี้ก็เป็นของเราเช่นกันหากแม้นได้อยู่เพียงลําพังก็คงสุขสบายยิ่งกว่าเมื่อคิดได้แบบนี้แล้วปูติมุกภิกษุค่ะก็คิดที่จะใช้ปากของตัวเองนี่แหละยุแยงภิกษุสองรูปนี้ให้แตกกันสุดท้ายผู้ที่สบายก็คือตัวเองลําดับแรกนั้นปูติมุกก็ได้เข้าไปหามหาเทระก่อนเมื่อเข้าไปในสํานักนั้นมหาเทระนัมัสการอยู่ปูติมุกจึงได้เข้าไปหาแต่ก็ไม่ได้พูดจาแต่อย่างใด เมื่อนมัสการเสร็จสิ้นพระมหาเถระก็เลยเอ่ยปากถามขึ้นมาบอกว่าปูติมุภิกษุเอ่ยไม่ทราบว่าท่านมีกิจอันใดจึงได้มาหาตัวเรานี้พระมหาเถระเอ่ยปากถามก็ตัวเรานี้มีกิจอันใดที่สําคัญดอกเพียงแต่จะเข้ามาพูดคุยเท่านั้นปูติมุกภิกษุตอบออกไปค่ะปูติมุกได้แส้งสนทนาธรรมกันเพียงชั่วครู่ก่อนจะวกเข้ามาที่จุดมุ่งหมายที่ตนต้องการจะทํา ท่านมหาเถระผู้ประกอบไปด้วยธรรมอันดีงามตัวเรานี้เห็นท่านประกอบกิจด้วยใจที่ซื่อแล้วก็เกิดนึกเวทนายิ่งนักปูติมุกปูดเรื่องค่ะคุณผู้ฟังเหตุใดท่านจึงมีความรู้สึกเช่นนั้นมหาเถระถามค่ะการสนทนาธรรมนั้นจกเกิดปัญญาอย่างแท้จริงได้ต้องสนทนากับผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์สดใสาหากแต่พระอนุเถระนั้นหาได้มีจิตที่เป็นกุศลไม่อันตัวเรานี่พูดไปก็ไม่ดี แค่เพียงหนึ่งราตรีที่เรามาค้างณนะที่แห่งนี้พระอนุเทระก็ได้นินทาว่าร้ายท่านต่างๆน า, นาท่านภิกษุผู้ทรงศีลหากว่าท่านจะให้ร้ายแก่ตัวพระอนุเทระแล้วก็จงหยุดเถิดพระตัวของเรานั้นประจักษ์ด้วยตาตัวเองแล้วว่าพระอนุเทระเป็นผู้ที่มีจิตใจดีท่านจงหยุดคําพูดเช่นนั้นเอาไวเ้เถิดเมื่อปูตติมุกได้ยินเช่นนั้นก็นึกขัดเคืองใจค่ะขอลาละกันไม่สาเร็จ แต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ได้ลดราวาศอกกับแผนการดังกล่าวนี้แต่ว่ากลับไปหาพระอนุเถระแล้วก็พูดจาแบบเดียวกันซึ่งแน่นอนนะฮะว่าในคราแรกนั้นค่ะทั้งสองก็ไม่เชื่อแล้วก็ยังไว้วางใจซึ่งกันและกันอยู่เมื่อเวลาผ่านไปปูติมุกก็ได้ทําการเช่นนี้อยู่เป็นประจำซึ่งบางทีเขาก็พูดออกมาเปรย์มากกว่าจะพูดกับใครแต่ก็แน่นอนละนะฮะว่าเขารู้ว่าหนึ่งในสองนั้นจะต้องได้ยินคําพูดของเขาอย่างแน่นอน น้ำมันหยดลงหินนะ่ะเนาะทุกวันหินมันยังกร่อนและใจคนล่ะมันจะไม่กร่อนได้ยังไงก็เป็นเนื้อนะี่เนาะเมื่อได้ยินคําพูดเยี่ยงนี้ทุกวันค่ะในใจพิกษูเจ้าบ้านทั้งสองก็อดที่จะหวั่นไหวไม่ได้นานๆไปความกินแหนงแคลงใจก็เริ่มมากยิ่งขึ้นทั้งพระมหาเถระและพระอนุเถระแม้ว่าแรกจะไปบิณฑบาตด้วยกันดังเดิมค่ะแต่ก็ไม่ได้ฉันอาหารไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือว่าสนทนาธรรมกันเหมือนเช่นเดิม เมื่อน า, นานเข้าก็เริ่มแตกร้าวมากขึ้นถึงท่านไม่ออกไปบินทบาทด้วยกันอีกเลยค่ะฝ่ายปูติมุกเมื่อเห็นภิกษุ2รูปเป็นเช่นนี้ก็นึกดีใจล่วะว่าแผนของตัวเองนี่สำเร็จเสร็จสิ้นก็เลยทำการยุยงท่านสุดท้ายและในที่สุดพระภิกษุทั้งสองรูปก็มาถึงคราวแตกค่ะ เมื่อสิ้นราตรีนั้นแล้วภิกษุทั้งสองรูปต่างก็แยกย้ายกันออกไปจาริกในสถานที่อื่นโดยที่ไม่เอ่ยปากบอกอีกรูปเลยแม้แต่คำเดียวเมื่อการนั้นปู่ติมุกภิกษุก็ได้ออกบิณฑบาตเมื่อพบเจอชาวบ้านที่มาถวายอาหารชาวบ้านต่างก็ถามถึงภิกษุผู้เปี่ยมไปด้วยศีลทั้งสองรูปภิกษุสองรูปนั้นได้ทะเลาะกันใหญ่โตอาตมาห้ามก็ไม่ฟังเสียงใดใดทั้งสิ้น และเมื่อราตรีผ่านพ้นไปทั้งสองก็ได้เดินทางออกจากเมืองนี้ไปซะแล้วปูติมุกภิกษุกล่าวว่าจากเกินจริงให้ชาวบ้านฟังค่ะเมื่อชาวบ้านเห็นดังนั้นจึงขอให้ปูติมุกภิกขุเนี่ยพักอยู่ที่บ้านนี้เมืองนี้เป็นการถาวรเพื่อปฏิบัติธรรมและแสดงธรรมให้แก่คนในบ้านเมืองนี้ได้ฟังกันทั่วหน้าแทนที่จะจาริกไปยังบ้านเมืองอื่นนะคะเมื่อพระภิกษุทั้งสองได้ออกเดินทางไปแล้วชีวิตในทางกายของปูติมุกนั้น สุขสบายดีเหลือเกินค่ะโอ้โหมีอาหารพร้อมสับอาวาดที่พำนักอยู่ก็สุขสบายน้ำท่าที่ว่าน้ำก็ใสเย็นสะอาดทุกอย่างล้วนไม่มีข้อบกพร่องแต่กระนั้นก็ตามเมื่อเวลาล่วงไปใจของปูติมุกก็ยิ่งรู้สึกผิดรู้สึกสำนึกในบาปเราได้ทำบาปมหันไปซะแล้วพิกสุทั้งสองรูปนั้นบริบูรณ์ด้วยศีลอันบริสุทธิ์หากแต่เราทาให้แตกกันนับเป็นบาปอย่างยิ่ง พอเวลาผ่านผลไปค่ะปู่ติมุกก็ได้มรณภาพลงด้วยสิ้นอายุไขแล้วก็เกิดใหม่ในมหาน ร, รกอเวจีเป็นเปรตอยู่พุท ธ, ธันดรนหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปแล้วก็ยังมีกรรมที่ยังติดค้างอยู่จึงต้องมาอยู่บริเวณเชิงเขานี้ส่วนภิกษุ2รูปนั้นเมื่อการเวลาผ่านไปก็ได้ไปพบเจอกันที่เมืองแห่งหนึ่งก็ได้ปรับความเข้าใจกันและก็พากันกลับมาที่เมืองเดิม ซึ่งในเวลานั้นปูติมุกก็ได้มรณภาพไปแล้วชาวบ้านต่างก็ชื่นชมยินดีและทั้งสองรูปก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดค่ะในการนั้นเมื่อพระนาถเถระได้ฟังเรื่องราวของเปรตปูติมุกแล้วก็ได้นําไปบอกแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงได้โปรดสัตว์โดยการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อให้เปรต ด, ดังกล่าวพ้นทุกข์จากนั้นก็ได้เล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับสาธุชนได้รับฟัง ก็มีผู้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับเปรตปูติมุกมากมายเลยล่ะค่ะหมดเวลาของพระเจอผีประจําวันนี้แล้วนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังชื่นชอบช่องนี้ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปให้กับบีด้วยขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ